min a l h, han, k k an, an, nam it, l ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของการทำความเข้าใจอันกุรอานกับรายการนั้นกุรอานทางนาชีวิตเรียนรู้การตักซีดซึ่งในในการเรียนรู้เนี่ยเราก็อ่า ตั้งมัน่นหรือว่าเราก็ยึดหลักในการอธิบายอันกุรอานด้วยกับทับสีสองทับศีเป็นหลักนะคือทัฟศีอินโักศีร์กับทัฟศีร์อา่อาอชชัซาดนะีวันนี้เรามาถึงในสุราอัชชุอาระนะเมื่อวานเราได้พูดคุยกันไปในตอนต้น ของโซร์ชอรอในเรื่องราวที่อสุภานุตาลาได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธถึงโทษของอการปฏิเสธและก็เรื่องราวต่างๆที่พระองค์ได้กล่าวว่าในตอนต้นของสซร์อชอรอที่เป็นหนึ่งในสุร์ที่เริ่มต้นด้วยกับฮา ร, รูฟมุคต้ก็คือฮ ร, รุฟหนึ่งตัวนอักษร อ, อักษรภาษาอาราบ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นอักษรที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันให้พวกมุชิริกีนเนี่ยได้เห็นว่าอัลกุรอานเนี่ยมาจากอักษรเหล่านี้เนี่ยอักษรที่พวกคุณสามารถที่จะนํามาแต่งบทกลอนนามาแต่งบทความแข่งกันนะแต่งบทกลอนแข่งกั น, นะ แ, น, แ, กนแล้วก็มีการมีการ มีความภาคภูมิใจในการแต่งบทกลอนที่ใช้คำสละสลวยแต่ในวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้นำอัลกุรอานมาเนี่ยไม่ใช่ภาษาอื่นเป็นภาษาอาหรับที่พวกคุณพูดคุยกันอย่างอย่างชัดเจนเป็นภาษาอาหรับที่พวกคุณได้มีความเก่งในเรื่องของการการใช้ภาษาอาหรับแต่ว่าพวกคุณไม่สามารถที่จะนำภาษาที่สวยงามเหมือนกับอัลกุรอานมาได้ อัลลอฮฺตาลาเลยประทานอายะเหล่านี้ลงมาเนีอซีนมีเพื่อให้เขาได้เห็นว่าขรูฟเหล่านี้เนี่ยเป็นขรูฟภาษาอาหรับนะแต่พวกเจ้าไม่สามารถที่จะแต่งเหมือนกับภาษาอาหรับได้อัลลอฮฺตาลาได้ท้าทายในในอัลกุรอานนะบอกว่าให้นํามาเหมือนกับอัลกุรอานเขาก็ไม่สามารถให้นำมาสักสิบซูลอะผู้วิชัยินก็ไม่สามารถอัลลอฮฺตาลาบอกว่าให้นํามาสักซูลอทหนึ่ง ก็ไม่มีใครสามารถที่จะแต่งเหมือนอัลกุรอานแม้แม้กระทั่งสุรเดียวพี่น้องอ่ะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งหลักที่ยืนยันความสัจริงของการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดสุล ล, ลัลฮวายเลยว่าสั้นลำว่าท่านนบีนั่นคือนบีที่แท้จริงจากลอสุบฮานุอัลตาราท่านนบีอ่านไม่ออกท่านนบีเขียนไม่ได้แล้วท่านนบีสามารถที่จะนำคำพูดที่สละสร้ยที่คนที่อ่านออกเขียนได้มีความชำนาญในการใช้ภาษา ไม่สามารถที่จะแต่งเหมือนอันนี้ได้พี่น้องครับอย่าว่าแต่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยคนที่มีความเก่งมีความชํานาญในการใช้ภาษาอาหรับเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแต่งสำนวนที่เหมือนกับเหมือนกับมัลกุร่านได้เพราะฉะนั้นนี่คือที่เรียกว่าตะฮ ด, ดีที่เรียกว่าการการท้าทายพวกมุชริกีนหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็น เป็นมุ่งอภิษฎของท่านนาบีซลลฮฮะวะซัลลัมที่มายืนยันการเป็นนบีที่แท้จริงตั้งแต่ในวันนั้นเนี่ยพันสี่ร้อกว่าปีมาแล้วนจนถึงวันนี้ไม่มีใครที่สามารถที่จะแต่งคำที่สวยงามเหมือนกับอัลกุรอานได้คนที่ไม่เข้าใจภาษาอาหรับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของความสวยงามของของอัลกุรอาน แต่ถ้าใครได้เรียนภาษาอาหรับแล้วเนี่ยเขาจะได้พบว่าอัลกรุรอานคือภาษาที่สวยงามมากเพราะเราจะเห็นว่าประเทศที่เป็นเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับเนี่ยยี่สิบกว่าประเทศเนี่ยที่ใช้ภาษาอาหรับในการพูดจะเป็นประเทศที่มีคนรับอิสลามเยอะแยะมากมายเพราะเขายอมรับในสิ่งที่เป็นมุ่งมั่นชตที่อัลลอฮฺสุบฮานวูว์ตาราประทานไหมคับท่านอับดุลลาห์สุลต่านว่าในวันสั้นลำวันนี้จะพาพี่น้องได้พา พาพี่น้องเดินทางไปด้วยกันกับการเรียนรู้เรื่องราวของท่านนบีมูซ่าในสลามกับเฟรหูนออินชาอัลลอฮ์เราจะพยายามเรียนรู้ไปในในในเรื่องราวของท่านนบีมูซาที่อัลลอฮ์สุบฮานูอตาลาได้กล่าวถึงไว้อย่างมากนะฮะในสนุลันนี้ประวัตินบีมูซาเนี่ยเป็นประวัติที่มีกล่าวไว้มากที่สุดในใน ในในอันลกุรอานแต่ว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวไว้ในในอายะนั้นบ้างในสุรบะกราะบ้างสุรอาลกิมรอนบ้างสุรอัลกัฟบ้างสุรอัชชูอาราะบ้างสุรอัฟุร์ก่อนบ้างสุร์กล่าวอยู่ไว้ในหลายๆสุร์แต่เป็นประวัตินบีที่ที่มีเรื่องราวก่าวไว้ไว้เยอะมากนะและหนึ่งในสุร์ที่กล่าวไว้อย่างมากก็คือสุร์ชูอาราะ เรามาดูกันเลยนะฮะว่าลอสุบฮานุวัตตาลได้กล่าวถึงเรื่องราานอมูซาอย่างไรนะครับในอายะที่9ของโซโลชัวรอของเราในในวันนี้เนี่ยลอสุบฮานุวัตตาลได้สั่งตัดว่าเอาไปเลมในเชตตอนนั้นจิตว่าอินรับบะกะลาห์อัลอาซิซุลรฮีมและแท้จริงผู้บาญของเจ้าคือลอสุบฮานุวัตตาลเนี่ยพระ อ, องค์ทรงเป็นอัลอซซุรฮมเป็นผู้ทรงเกียรติ ที่พระ อ, องค์สามารถจัดการได้ในทุกเรื่องอัลรอฮิมเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงเมตตาต่อสิ่งถูกสร้างต่อบาวของพระ อ, องค์นะและพระ อ, องค์ก็มีความเมตตาในการที่ไม่ทำการลงโทษบาวของพระ อ, องค์ในตอนนี้แต่ว่ารอรอไปจนกระทั่งวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการลงโทษและพระ อ, องค์ก็มีการตอบแทน คือให้ให้โอกาสนยพี่น้องให้โอกาสในการเวลาใครทำผิดให้โอกาสในการตอบบัตรตัวให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจและพระองค์ก็ไม่ลงโทษและยิ่งไปกว่า น, นั้นนะพี่น้องอรรถสุภานุตาลาเนะี่ยเป็นผู้ทรงอภัยที่แท้จริงที่ไม่มีการไม่มีการเอาคืนไม่มีความไม่มีการที่จะโมโหไม่มีการที่จะเครียดแค้นและนี่คือความสุขของการใช้ชีวิต ถ้าหากว่าเรามีคุณลักษณะของความความเมตตาที่แท้จริงของการอภัยที่แท้จริงแล้วเราก็มองข้ามความผิดของคนอื่นๆไปเนี่ยใครทำผิดทำอะไรกับเราเรามองข้ามไปแล้วเราก็มาใช้ชีวิตต่อแล้วเราก็มีการให้ใ ห, ให้อภัยกันพี่น้องอะ่ะถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุบัานูร์ตาร์ไม่มีการให้อภัยเนี่ยแล้วมีการเครียดแค้นมีการเอาคืนมีการอะไรเนี่ยถามว่าพระองค์จะมีความสุขในบัลลังก์ของพระองค์ไหม จะมีความสุขในการในการที่พระ อ, องค์ได้อยู่โดยที่มีนมวนุษย์มาแน่นอนฮะพระ อ, องค์จะส่งทำลายร่างมนุษย์ไปกัน ท, ทั้งหมดนั่นแหละโอไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องมีข้อผิดพ ล, ลาดแล้วอลรถสมาโนตานหนึ่งในคุณลักษณะของอรรถตาล า, าพระ อ, องค์ทรงรู้พระ อ, องค์ทรงรู้ในเรื่องข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะรู้ในข้อผิดพลาดของคนที่ใกล้ตัวของเรามากเพราะอยู่ใกล้กัน แล้วก็รู้จักกันดีแล้วก็มีการมีการมีการพูดคุยกันมีการพัฒนาสมาคมกันก็ ย, ยิ่งมีความผิดพลาดให้เราเห็นถ้าเรามีคุณลักษณะเหล่านี้นะชีวิตเราจะมีความสุขเหมือนดังที่อมรานาได้ให้คุณลักษณะชาวสวรรค์นเนว่าวันร่างนามาฟิสตูเรมินเรนเลนและเราจะถอดถอนความเกลียดชังออกจากหัวใจของพวกเขาหมายความว่าในสวรรค์จะมีแต่ความสุขเพราะนั้นในวันนี้ถ้าใครอยากจะมีความสุข ให้เขาถอดความเกลียดชังออกไปรู้จักการอภัยให้มากๆอภัยเมตตาอภัยเมตตาแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างอย่างมองข้ามความผิดพลาดของคนอื่นไปแล้วดำเนินชีวิตได้กับการมีความมีความหวังในผลตอบแทนของอัลลอฮฺซุบเานะเวะตะลาอ่าอินฺอินฺรับบกฺะฮฺอูลัซีซุลรหีมแท้จริงผู้อบานของเจ้าเนี่ยทรงเป็นพร้องทรงเป็นผู้ที่มีความกิ้งยิ่งใหญ่ความเก่งกาจไหมายความว่า ถ้าพระ อ, องค์มีความต้องการที่จะจัดการใครเนี่ยพระ อ, องค์สามารถแต่ว่าพระ อ, องค์ทรงมีความเมตตาด้วย <c oughs> อัลลอฮิมอัลลอฮ์ตาราพระ อ, องค์ทรงมีความเมตตาต่อต่อสิ่งถูกสร้างนะวอิดนาดารับบุคเมโซาอะนิติลเกาเมวอริมีนทีนี้เริ่มเรื่องราวของการที่อัลลอฮ์ตาราได้กล่าวถึงเรื่องราวท่านอบรมูซาว่าและเมื่อวอิดนาดารับบุค เมื่อผู้วิบาลของเจ้าเมื่ออัลลอฮฺสุบฮาหนุอัตตาลาได้เรียกท่านนาบีมูซาอ น, นิติลกอมาวมาลีมินให้ไปหากลุ่มชนที่อาธรรมคือใครครับพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮาหนุวัตตาลาได้เรียกท่านนาบีมูซาแล้วก็บอกท่านนาบีมูซาว่าให้ไปหาฟิรูฮแล้วก็กลุ่มชนของฟิรูฮฺ ข้ า, าวมาเฟรงกอนอาลาใหตกูลให้กลับไปหากลุ่มชนของเฟร ع و อแล้วก็ให้บอกว่าอาลาใหตะกูลทาไมพวกเจ้า <c oughs> ทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่มีความไม่มีความยำเกรงต่อล็อตุบฮานุตาลากันพี่น้องฮะคำสั่งนี้เนี่ยทเทอรอาตาลาได้มีคำสั่งให้ท่านนบีมูซายและอิสสาลามไปหาเฟร عون เนี่ยหลังจากอะไรฮะ หลังใช้ท่านนาบีมูซาเนี่ยได้เกิดมาในตอนที่เฟรอ์ต้องการที่จะฆ่าคนที่จะมาโค่นบัลลังก์ของเฟรอ์ตามคำทำนายของโหราของโหรและปรากฏว่านาบีมูซาเนี่ยอัลลตาราได้ได้ได้ดนให้กับแม่งท่านนบีมูซาอาดับมมูซาใส่หีบลอยน้ำไปและภรรยาเฟรอนก็เอาขึ้นมาเลี้ยงนบีมูซาเติบโตในวังของเฟรอ์พอเติบโตเติบใหญ่มา มีปัญหากันนะเกิดคนมีปัญหากันระหว่างเกปตี้กับอิสราเอลบรินัทอิสราเอลเนี่ยคือกลุ่มชนที่เป็นชนชั้นทาสในยุคนั้นเกปตี้คือชนชั้นที่อยู่ในกลุ่มชนเดียวกับพวกเฟรอห์ก็คือพวกชนชั้นไหนแล้วเวลาสองคนทะเลาะกันน บ, บีมูซาไปเห็นน บ, บีมูซาเห็นบริษัทอิสราเอลเนี่ยได้ขอให้นบีมูซาิบบมซาก็ต่อยเกปตี้ไปทีเดียวตายเลย พอหลังจากนั้นเนี่ยท่านมีโมซาก็เป็นคนที่ถูกถูกหมายจับนะก็เลยมีคนเตือนท่านมีโมสว่าให้หนีออกไปพี่น้องฮะจากการที่ท่านไดมีโมซาได้ทําความผิดแล้วก็หนีออกจากการไล่ล่าของของเฟรอนของพรกคพวกของเฟรอน ท, ที่ที่ต้องการที่จะจับท่านไมีโมซาด้วยเหตุที่อะไรการที่เขาไปฆ่าคนเก็บตีพี่น้องฮะ การที่ชนชั้นเดียวกับชนชั้นทาสมาฆ่าชนชั้นที่เป็นนายเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ในยุคนั้นและวนายมูซาก็หนีออกไปอลัลลอฮฺสุบฮานูว์ตารามีคําสั่งให้นายมูซากลับเข้ามาเนี่ยหลังจากที่ได้ทําความผิดและให้กลับมาได้ว่ากลุ่มชนท่านนายมูซาเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าเป็นในในความรู้สึกของเราเนี่ยเราทําความผิดไปแล้วก็โดนขับไล่ออกไปแน่นอนฮะเราก็จะไม่กล้าเข้ามาหรอก แต่เวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้สั่งให้ปฏิบัติท่านอับดุลโมซาก็ปฏิบัติทันทีเลยไม่ได้มีการไม่ได้มีการคิดว่ามันจะดีมันจะไม่ดีไม่ได้มีการต่อรอมในการอะไรท่านอับดุลซาก็ปฏิบัติทันทีเวลาอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราบอกว่าอเนติลเกาโมฟอร์เลเมนให้ไปหากลุ่มชนที่มีการอาธรรมก็คือกลุ่มชนกามฟโรนอาธรรมเพราะอะไรนะพื่น้องกลุ่มชนเฟโรน ทำเพราะว่าเขาจับบรรดาพวกบันิอิสรอีนเนี่ยเป็นชนชั้นทาสแล้วก็ใช้งานเยี่ยงทาสมีการทรมานมีการใช้งานอย่างอย่างอย่างเยี่ยงทาสอาลัลลอฮฺต้าไลท่านด บ, บิมูซากลับมากลับมาในที่นั้นแหละที่ที่เคยโดนขับไล่ออกไปนั่นแหละนะแล้วก็ให้มาทําการได้ว่าทีนี้ท่านดะ บ, บิมูซาก็เลยบอกกับอลัลลอฮฺซุบฮานวาต้าลาว่า ق َ ا ل َ ر َ ب ِّ إ ِ ن ِّ ي أ َ خ َ ا ف ُ أ َ ي ُ ي ك َ ذ ِّ ب ُ و ن โอ้ผู้บ่านของฉันแท้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะปฏิเสธฉัน و َ ي ไว้อยู่ในกุศลเวลาอย่างตอนในกุลิศานีและฉันกลัวว่าหัวใจของฉันเนี่ยจะจะ จะครับแคบใจจะลำบากใจแล้วก็จะไม่สามารถที่จะพูดจางมาได้ far s i ลาฮา h a r ดังนั้นจงจงส่งแต่งตั้งฮารุนมาด้วยหมายความว่าวิมูซาขอดุอาต่อลอสุบฮานุาตาาขอต่อลาตาลาว่าขอให้มีคนที่ช่วยในการทำงานาศาสนา ฟ้าินอิลาฮารุนต่งตั้งฮารูนไมาช่วยฉันหน่อยวะเลหุมัลลัยย์ดัมบุงฟาอัคชัฟอิยาคตูรูนและฉันเป็นคนที่เคยทําผิดกับพวกเขาหมายความว่าฉันเคยฆ่าฆ่าเกตตี้ฟาคอฟอิยาคตูรูนฉันกลัวว่าเขาจะทําการทําการฆ่าฉันพี่น้องครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมูซ่าอะไหรซ์สลาหมได้ทําการขอต่อลอสุบฮาหนูวาตาลาขอให้ลอตาลาเนี่ยคจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปดังในในโซลตอหาที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าท่านนบีมูซาได้ขอต่อลอสุบฮาหนูวาตาลาในในในสิ่งที่ท่านนบีมูซาได้บอกกับลอสุบฮาหนูวาตาลาว่าฉันกลัวเขาจะปฏิเสธฉันกลัวว่าหัวใจของฉันเนี่ยจะ ฉันจะลำบากใจฉันกลัวว่าการพูดจางฉันมันจะไม่ไมชัดเจนช่วยแต่งตั้งฮารูนมาด้วยฉันกลัวว่าฉันเคยทําความผิดกับพวกเขานะแล้วในบบมูซาก็ไม่ได้ว่าทิ้งในการทํางานนี้นีมูซาขอทุอาตาะลอสุบฮานุวะ ت ع า ل ى ดังที่อัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวในสุราะฮะสุราะตะฮะว่ากลราวรบบิชรพลีซัตดีโอ้พูดเบาหนึ่งฉันขอพระ อ, องค์ทรงเปิดหัวใจของฉันด้วย จากอายาที่เดบิมูซาได้บอกว่าวอยดีกุสอดรีหัวใจของฉันเนี่ยมันมันน่าจะลำบากใจขอดูอาให้อลัลตาราได้เปิดหัวใจให้กับฉันวยะซิร์เอเมรีแล้วการที่งานของฉันมันจะยากขอพระองค์ทรงให้มันง่ายได้วยะซิร์เลอเมรีและขอให้พระองค์ได้ให้ฉันมีคำการพูดจาที่ดี อุกนะคือการการพูดจาที่มันยากลำบากเนี่ยขอให้พระองค์ขจัดตรงนั้นออกไปแล้วให้เขาได้มีความเข้าใจในคำพูดของฉันต่อมาในเรื่องของการที่ฉันไปแล้วฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีผู้ช่วยไ ม, ม่อะไรวาจาลีวาซีรอนมินอาฮีฮารูนอเคขอพระองค์ทรงแต่งตั้งฮารูนาเป็นเป็นผู้ช่วยให้ฉันหน่อยเพระาะนั้นพี่น้อง การที่เราเราเราเราทำงานศาสนาเราเดินหน้าหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้เราได้ความสำเร็จคือการขออุอาต่อลอสุบฮาโนตาลาขอการช่วยเหลือต่อลอสุบฮานโนตาลาดังที่เดามมูซาได้ได้วางไว้ให้เราดูอัลลอฮฺตาราได้ให้เราเห็นว่าการทํางานศาสนาไม่ใช่ว่าเป็นการทํางานที่อะไรอะไรอะไ ร, อะไรก็ทําไปเถอะไม่ต้องมีการวางแผนไม่ต้องมีอะไรแต่ท่านดามมูซามีการวางแผนว่าสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องมีก็คือ ขอให้รับบิชระในสะดือหัวใจเราต้องพร้อมวิทย์เสือเรออมรีขอให้การงานเนี่ยมีความง่ายได้วะฮลลุลนกุรธรรมมิลเลสัยเนยฟกอหูกาวนีการพูดจาของเราก็จําเป็นที่ยฟกอหูกาวนีให้พวกเขาทั้งหลายได้มีความเข้าใจในคําพูดของเราและขอให้มีคนช่วยเหลือท่านิ ม, มุสาขอให้ท่านมีฮารุน อุชดูดบิฮิอซรีวัชริกูฟีอัมรให้เขามาช่วยในความยากลำ บ, บากของฉันให้เขามาช่วยในเรื่องการงานของฉันเป้าหมายหลักในการทำการด่าวะที่ต้องการที่จะไปถึงก็คือไกนสุส บ, บิฮะกแธีรอวันัตกูรักแกแกธีรอเพื่อเราจะได้ทำการตัสเบียศูุดนีตตอบพระ อ, องค์เนี่ยอย่างเยอะแยะมากมาย ว น, นั้นกุรอฮคาเซีรอและเราจะได้ทำการนับถืกถึงพระองค์อย่างมากมายอินนักกุลทะบินาบซีรอแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้ได้ทรงเห็นพวกเราสิ่งที่ทานายมูสาหลังจะได้ทำการขอต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت อัละะลอฮฺ ت ع ได้บอกว่ากอลกัดอูตีตะสุและแกายามูสาอัละะลอฮา ت ได้บอกว่า แท้จริงเจ้าได้รับสิ่งที่เจ้าขอแล้วโอ้โมซาเอ๋ยร้อให้สิ่งนี้ท่านดับเบิลโมซาทำการขอต่อลอสุบหฮาหนูฮตาในการที่จะให้มีความง่ายดายให้มีการพูดจาที่พวกเขาทั้งหลายได้มีความมีความมีความ เข้าใจนะหลังจากที่ท่านดามีมูซาได้ขอต่อลอสุภาวนตาลาและลอสตาลาก็ได้ให้ต่อท่านดามีโมซานะในในสิ่งที่ท่านดามีมูซาได้ทําการขอนะและสิ่งหนึ่งที่ท่านดามีมูซาได้บอกว่าว่าละหุมะเลยะดัมบุนฟะคอฟะยักตูลูนฉันมีความผิด ทำผิดเพราเขาที่ฉันกลัวว่าเขาจะจะฆ่าฉันก็คือสาเหตุที่ท่านอบดมฮัมหมัได้โดนขับไล่ออกจากอียิปต์นะฮะในยุคนั้นเฟร์ราอ ون ได้ปกครองที่ที่อียิปต์นะฮะด้วยกับการที่เขาได้ได้ฆ่าเกตตี้นะชนชั้นที่เป็นชนชั้นเดียวกับกับเฟร์ราอ ون Allah ت ع า ل ى ตรัสว่ากล่าวกัลลาฟื้ฮับไอ้ายตินะอินนามะกุมตัมต์เมือง a ต l a า تعالى ตรัสว่าในในอายะที่สิบห้าว่ากละกัลลาหาไม่ได้ฟื้ฮัหมายความว่ากัลลาเนี่ยหาไม่ได้หมายความว่าเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแหละ ฟาฮาบีอายีนาเจ้าทั้งสองเนี่ยจงไปจงเดินทางไปบีอายาตีนาด้วยกับอายะของเราอินมะกุมมุสตมิอนแท้จริงเราจะอยู่เคียงข้างกับพวกเจ้าเป็นผู้ที่ทำการได้ยินและลาสบหาห์นูตาลาได้บอกกับท่านน บ, บีมูซานะว่า ศาสาชุดดวงดาวได้แก่เเคี๊กมานาเละกุมาสุ่นตอนนะเราจะให้พี่น้องของเจ้าเนี่ยคือฮารูนเนี่ยมาช่วยกับเจ้ามาช่วยเจ้าในการทำงานแล้วเราจะให้เจ้ามีสุ่นตอนมีบุรหามีหลักฐานไปสู้กับเขาฟาลยสิลูนะอิไลกุมาเบอายาตินาอันตุมาวเมตตาบากุมันวาลิบุลและพวกเขาทั้งหลายจะมาจัมาทำอะไรกับเจ้าทั้งสองไม่ได้เราด้วยกับอายะของเรา เจ้าทั้งสองเนี่ยแล้วคนที่เดินตามเจ้าทั้งสองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเหมือนอย่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้สัญญากับการทํางานศาสนากับการดําเนินอิสลามว่าเราจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะในการในการทํางานเพราะ การการทำงานไม่ว่าจะเจอความยากลำบากขนาดไหนเนี่ยให้เรารู้บั้นปลายและมีความมั่นใจกับบั้นปลายเท่ารัสสุภานุวตาลาได้ให้กับเราว่ายัางไงเราก็จะประสบความสาเร็จได้รับชัยชนะฟาฮาบีอายาตินอินมะกุมมุสตมิอุนเจ้าจงไปเราจะเป็นผู้ที่คอยฟังเจ้า เหมหือนที่อัลลอฮฺตาราได้กล่าวในสุระตาฮ า, าว่าอินเนมะกูมาอสมะวะรอท้าจริงฉันจะอยู่กับเจ้าทั้งสองฉันได้ยินแล้วฉันก็เห็นหมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮาหนุอัลตาราเป็นผู้ที่คอยปกปักรักษาคอยดูแลท่านอนับดุลโมสะและอัลลอฮฺสุบฮาหนุอัลตาราเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนในการด่าว่างท่านนาบับดุลโมสะแล้วก็ท่านนับี ทานาบดุลฮารูนตอมาลาอูสุบฮานุวะตะลาได้กาตทามาในาอเนียยะทอมวาว่าฟตียาฟิรอาอูนฟกูล่าอินนารัสูลุรับบิลอาลามินอัลลอฮฺทูลาบุฮฺทูลมุสาวะ่าฟตียาฟิรอาอูนเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรอาอูนเน้นย้ำนะพี่น้องว่า ในการที่จะประสบความสาเร็จในการทำงานศาสนาได้เนี่ยในการดด้ว่าได้เนี่ยให้ไปหาหัวหน้ามันเลยฟาตียาฟ ر ع و ตทว่าฟัก <ف ق> ูล <لا> าอินนารซูลรบบิลอาลมีนแล้วเจ้าทั้งสองก็จงบอกกับเขาว่าแท้จริงเราเนี่ยฉันเนี่ยเป็นรัสูลรบบิลอาลมีนเพน ผู้ที่รับหน้าที่จากผู้ใบ้านแห่งสากลโลกจากลัทธิสุภานุวัตาลาเป็นรัศูย์เป็นคนที่ยวลัทธิสุภานุวัติลาได้ได้ทําการทําการส่งมาอินนารอซูลรับบิลกาเลมีอันอารซิลมะนาบเนอิสราอิลสิ่งนี้ท่านอบดุลซาได้ทําการบอกกับเฟรอนใน ในตอนแรกกันเลยก็คือว่าอันอัศริลมานาบันิอิสราเอลให้ส่งบันิอิสราเอลมาการเราหมายความว่าในการที่เจ้าได้ทําการกดขี่ข่มเหงพวกบันิอิสราเอลใช้ทํางานเยี่ยงทาตมีการทรมานมีการทําร้ายมีการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเล่าหมือนกับการที่คนคนหนึ่งหรือในในในยุคก่อนที่เป็นยุคทาตนะนะแล้วก็มีการทรมานทาตมีการใช้งานเยี่ยงทาตเนี่ย เหมือนกันนะฟิโรจ์ก็มีการกดขี่ข่มเหงบุรีอิสราเ อ, เอาลอัลาตาราได้ให้ท่านอับดุลมซ่าไปเพื่อปลดปล่อยพวกบุรีอิสราเอลให้ฟิโรจน์ห ย, ยุดในการกดขี่ข่มเหงพวกบุรีอิสราเอลและให้รู้ว่าบรรดาคนเหล่านี้ เ, เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาและให้รู้ว่าคนเหล่านี้ เ, เขากําลังถูกถูกทรมานนะอลัลตาลาเลยบอกกับ ท่านไดมีมูสาว่าให้บอ ก, กบฟิร์กอ ล, ลว่าอันอาร์เลมา ن ى บุรีอิสราเอลดิพอเวลาท่านไดมีมูสามาถึงก็มาจะมาบอกให้ปลดปล่อยฟิร์กอลก็เลยบอกถึงสิ่งที่ท่านได้มีมูสาเติบโตมานะบอกให้ปลดปล่อยบัุนี้อิสราเอลเหร ฟิรุลเลบอว่ากล่าวอาลัมนูรับบิคฟีนาวะลีดอว์วะลับอัตฟีนา f r ร m عمرك น ن น ن ฟรุนก็เลยบอกว่าอาลัมนูรอบบิคฟีนาวะลีดันเจ้าเนี่เจ้าเป็นคนที่เติบตอนเด็กๆเนี่ยเจ้าเป็นคนที่เติบโตมากับครอบครัวเรานะหมายข้บอกให้รู้ว่ามูซาอย่ามาเรียกร้องอายมากเพราะว่าการเติบโตของเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเติบโตของครอบครัวเรานะ ควรจะรู้บุญคุณไม่ควรจะมามาทำการมาทการต่อรองมาทำการบอกให้ ป, ดปลปดปล่อยสิ่งนั้นปลดปล่อยสิ่งนี้วัดาบิสต์ฟีนามินุมริเกศีนีแล้วเจ้าก็ใช้ชีวิตอยู่กับเราอยู่อ ย, อยู่หลายปีเลยหมายความว่าการใช้ชีวิตของเจ้าเนี่ยเจ้าเติบโตมากับกับครอบครัวเรา ว่า فاعل ต้า فاعل และตะกลตี فاعل ต้าวต้ามินันกาฟิรินแล้วเจ้าก็ทำสิ่งที่เจ้าได้ทำไปเนี่ยแล้วเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนีหมายความว่าเาโอนกำลังเ ร, เรียกร้องบุญคุณคือเรียกว่าทวงบุญคุณน่ย นะว่าเจ้าเติบโตมาในครอบครัวเรานอนอยู่ในครอบครัวของเราและเจ้าก็ได้กินอาหารกินอาหารของเราเติบโตมาได้กับสิ่งที่สิ่งที่เราให้กับเจ้ามาเนี่ยอยู่หลายๆปีเพราะต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าก็จะมาเจ้าก็ทําการทําการทําสิ่งที่เป็นเป็นความผิดกับเราเอีกแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เราได้คุยกันมาในตอนต้นนะครับว่า ดบเบิซาได้ไปเจอว่าเากปตี้ันนี้สอนทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันแบเบิซาก็ไปห้ามพอไปห้ามแล้วเกปตี้เนี่ยผมคือเข้าเป็นชนชนชั้นนายนะก็ไม่พอใจไม่ไม่ยอมหยุดดับเบิ้ลโซาก็เลยต่อยไปทีเดียวเพื่อที่จะได้หยุดเขาให้ได้กลายเป็นว่าต่อยทีเดียวตายเลยเฟรอุลก็เลยเอาสิ่งนี้มาในวอฟ้อันตราฟ้าและตและต่กันและตีฟ้าแล้วเจ้าได้ทําสิ่งที่สิ่งที่เจ้าได้ ไดทำไวันท่าไม่นันกาเฟรินและเจ้าก็เป็นผู้ที่มีการมีการปฏิเสธสิ่งนี้คัดค้านสิ่งนี้อลฟ้วมินุซาได้บอกว่าฉันทําสิ่งนั้นนะคือในในสภาพนั้นเนี่ยที่ฉันทําไปวัน่าไม่นับดอลลินในตอนนั้นเนี่ยฉันเป็นผู้ที่ ที่ยังอยู่ในทางหลงผิดอยู่หมายความว่าก่อนที่ฉันจะได้รับวุหีจากอัลลอฮฺสุบฮานูรตารามาในการปฏิบัติในสิ่งนั้นเนี่ยนะอันนี้คือในในในในใ น, ใ น, ใ, นในการทัศน์เสที่มุกเสดได้บอกหมายความว่าในตอนที่ฉันปฏิบัติตอนนี้ฉันทำการฆ่าเกตตี้เนี่ยในการห้ามหยุดเนี่ยตอนนั้นในฉันยังไม่ได้รับบุหี หรือในการอธิบายของมุฟสเซรีนของนัาทวีตเซรินอับบาสมูราตได้บอกว่าไม่นั่นจาฮีเลนคือตอนนั้นเนี่ยฉันไม่รู้ก็เลยมีการมีการเฟโรนก็เลยมีการเอามาเอาสิ่งนี้เนี่ยมาพูดให้ท่านเะมีมูซาได้ได้คิดว่าเจ้าเคยทำเคยทาสิ่งนี้ไปนะ ฟ้าฟารร์ตุ้มจากคุณแล้วมาขี้คุณฟ้าวเฮเบลิรับบิผูกมันว่าแกลนีมันมรสนิแล้วฉันก็หนีจากพวกเจ้าไปในตอนนี้ฉันกลัวพวกเจ้าหมายความว่าเวลาทำทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยฉันก็หนีเนี่ยเพราะพวกเจ้าทําการไล่ล่าฉันในสภาพนั้นเนี่ยแต่ว่าพอเวลาที่ฉันออกจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอลัลลอฮฺตาฮะลาก็ให้ฉันได้มีฟ้าวเฮเบลิรับบิผูกมันให้ฉันได้มี มีความรู้ว่าจะอะไรนมินันมุรซดีและอัลลอฮตาลาก็ได้แต่งตั้งฉันเป็นรอซูลพี่น้องอัลเบตานในมิมูซาได้ออกไปแล้วได้รับวะฮีอัลลอฮฺซุบฮานวาตาราแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเพื่อมาทำการดาวะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าท่นนานในมิมูซาจะ ทำการตอกลอนกับฟิรรูนอย่างไงในการด่าว่าฟิโอูนในการเรียกร้องฟิโอูนหรือว่าในการที่บอกให้ฟิโรจน์เนี่ยปลดปล่อยพวกบนีอิสราเอลที่เป็นชนชั้นทาสที่โดนกดขี่ข่มเหงอยู่ที่อียิปต์เนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อจะต้องพบกันในครั้งหน้านะครับอัลลอฮฺและนบีนราม u h a m m a d wa ala าม i h i wasallam السلام عليكم